เทศนาแผนที่82ระดับที่22โดยหลวงพ่ออินทวายซันตุสโกวัดป่านาคำร้อยจังหวัดอุดราธานีแสดงธรรมในวันที่18พฤษภาคม2558มีชื่อเรื่องว่าศึกษาวิเนยตัวเอง พระทุกองวันอุโบสถต้องใส่ใจอย่าให้มีปัญหาแล้วก็พระเก่าควรจะเตือนพระใหม่ให้ไม่ใช่ให้ํำนึกได้ทีเดียวพระใหม่พระเก่าก็ต้องเตือนมาทากิจวัตรข้อวัด หรือผู้อยู่ผู้อยู่ใกล้แถบแถบนั่นะ่ะเตือนพระใหม่ถ้าหากว่าไม่หลงลืมอย่างวันนี้เนะี่ยมันเสียเวลาเท่าไหร่ครูบายจานมูพวกเพื่อนคอยเอพราะเหตุไร เ, เป็นเพราะอะไรก็ไม่ทราบต้องลืมนะ่ะ เ, เพราะนั้นต้องใส่ใจนะวันอุโบสถนะพระทุกอง พระเก่าต้องเตือนพระใหม่แต่เมื่อเช้าเมื่อวานผมก็ยังเตือนอยู่แล้วเมื่อเช้าน่ก็เตือนอี ก, กองค์จะไม่ได้มาชั้นชังหารมั่งว่าเป็นวันอุโบสถของพวกเราต้องมาพร้อมกันอย่าทีหลวงพ่อได้พูดถ้าหากวันเราองค์ไหนไม่มามันก็ต้องได้คอยกัน เราจะไปทำอุโบสถลงอุโบสถสด พ, พลางๆคอยองค์ที่ยังไม่มาให้ไปตามองค์ที่ไม่มาไม่ได้ในพระวินัยปรับอบัตทุกกฎการทำการทำเช่นนั้นต้องคอยกันให้มาพร้อมกันซะก่อนพร้อมหน้าพร้อมตาพร้อมสงสักก่อนจึงได้ลงอุโบสถได้เราจะไปทำแบบคอยองค์หนึ่งเพียงขาดเพียงองค์เดียวนั่นะ เว้นเสียแต่เจ็บไข้ได้ป่วยต้องเจ็บไข้ได้ป่วยก็ต้องมอบฉันทะว่าผมไปไม่ได้ผมป่วยพระสงฆ์ที่ได้รับมอบฉันทะแล้วว่าได้รับทราบข่าวก็ต้องมาแจ้งข่าวว่าองค์นั้นมาลงอุโบสถไม่ได้พวกเราจึงได้ลงอุโบสถเมื่อลงอุโบสถเรียบร้อยแล้วสงสีรูปจะต้องไปบอกปริสุทธิ ให้องที่ป่วยนะั่นบอกบริสุทธิ์คือความบริสุทธิ์อันนี้ก็คือพระวินัยของพระพุทธเจ้าที่ท่านทํามาแล้วในครูบาอาจารย์เพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้ทั้งหลายทั้งปวงนะ่ย ใ, ให้พวกท่านทั้งหลายบอกกล่าวกันอย่าให้ผมได้พูดหลายครั้งมันเป็นหน้าที่ของพวกท่านที่อยู่ด้วยกัน <c oughs> ต้องมองดูแลกัน วันอุโบสถไม่ใช่นั่นนะเป็นถือว่าเป็นวันสำคัญเป็นหัวใจของพระคือพระวินยัยจะต้องทบทวนเรื่องศีลและวินัยของตนเองถ้าว่าพระไม่มีศีละจะทำยังไงก็เหมือนกับคนทั่วไปเผยเผยจะเร็วกว่าเขาอีกเพราะอาศัยเลี้ยงชีวิตของเขาและตัวเองก็ทำไม่มีศีล แน่แหละเพราะนั้นให้พวกเราเนาะซ้ำรวมนะศีลและวินยัยให้เป็นหนักแน่นในศีลและวินยัยให้อยู่ในกฎในอยู่ในกฎระเบียบศีลและวินยัยศีลและวินัยมันเป็นของหยาบมันเป็นของพื้นฐานวินัยและศีลในกฎระเบียบแตรร่เรธทำเป็นของละเอียดเข้าไปอีกแนวความคิดทางด้านจิตใจนะ วันนี้เป็นวันที่18พฤษภาคมพุทธศักราช2558เป็นวันอุโบสถเมื่อพวกเราฟังพระปฏิโมกจบหลงสักคร่นี้นี่แหละคือสินมาในพระปฏิโมกอย่างที่ผมพูดในมือเช้าเนี่ยพระพุทธเจ้าพระหันทสาวก ให้ความสําคัญในเรื่องวันอุโบสถเพราะฉะนั้นให้พวกเราทุกๆท่านเรื่องวินัยให้พวกเราอย่านอนใจอย่าชล่าใจให้ศึกษาให้อ่าน ใ, ให้อ่านเรื่องวินยัยเริ่มตั้งแต่ น, นวโกวาตวินัยบัญญัติศินสองอยี่สบเจ็ดจากนั้นใครอ่าน <c oughs> วินัยมุกเล่มหนึ่ง เ, เรื่องสินมาในพระปฏิโมกอธิบายขยายออกไปอีกเราจะเข้าใจาจากนั้นเราไปอ่านาวินัยมุกเล่มสองอันนั้นว่าสินอภิสมาจารย์สินน อ, อกพระปฏิโมกเป็นสินผ อ, อกิ จ, จวัตรข้อวัดอาจารยวัดอุปชายวัด เสนาจาวบนวัดอาคารทุกกาวัดอันนั้นคือขันธวัดคือกิจพระสงฆ์ควรปฏิบัติควรดําเนินชีวิตอย่างไร อ, อยู่ในวินัยมุกเล่มสองแต่วินัยมุกเล่มสาม เ, าเป็นพูดเกี่ยวกับเรื่องสังฆกรรมเรื่องอุโบสถกรรม เ, เรื่องสอดสวดถอดวิหารเรื่องอโบสถเรื่องวิหารเรื่อง ทำสังฆกรรมอาบัติสังฆาทิเศษอะไรลักษณะอย่างนั้นอันนั้นคือเป็นเรื่องของพระเก่าพระที่ฝ่ายปกครองหรือฝ่ายที่เป็นหัวหน้าระดับที่เป็นหัวหน้าอิ น, น, น, นมัมุกเล่มสมแต่ถ้าว่าพวกเราอยากจะรู้ว่าวิในทั้งหมดเนี่ยตั้งแต่ผมพูดตั้งแต่ นวโกวาดวินัยวินัยยมุกเล่มหนึ่งเล่มสองเล่มสามเป็นมาอย่างไรอันนี้พวกเราให้ค้นคว้าไปศึกษาในพระไตรปิฎกถ้าว่าเป็นสำหรับประชาชนก็อาจจะเข้าใจถ้าว่าผู้ใดผ่านอ่านมาแล้วนะแต่ก็คงจะย่อเกินไปสำหรับผู้ที่เข้ามาศึกษาใหม่ก็ ค, ควรจะไปอ่านนู่นนะถ้าอยากจะรู้ต้นตอ เกี่ยวกับพินัยนมีอยู่พระวินัยพระไตรปิฎกสำหรับอของรัฐบาลหรือว่าของอของกรมการศาสนามีอยู่ห้าเล่มวินัยวินัยบัญญัติมีแต่เล่มหนาปึกเลยนะ อ, อันนี้ให้พวกเราไปศึกษาอ่านดูจะรู้ได้ว่าศิกขาบทนี่เป็นมาอย่างไร พระพุทธเจ้าบัญญัติที่ไหนใครองค์ไหนเป็นผู้กระทาความผิดในสิกขาบทที่หนึ่งแล้วก็อนุบัญญัติให้เขาบอกเป็นสิกขาบทที่หนึ่งเหมือนกันนั่นแหละแต่ไม่ไม่ถึงกับขนาดมันผิดไม่ถึงขนาดนั้นแต่รองลงมานีพระพุทธเจ้าขอวินิจฉัยในพระวิ น, นัยแต่ละแต่ละเรื่องราวถ้าพวกเราได้อ่านได้ศึกษาพวกเราจะเข้าใจ ความเป็นมาของวินย เ, เป็นมันมีทั้งหมดวินัยาปาราชิกข้อที่หนึ่งถึงข้อที่4จากนั้นกัสังขาที่เสษสังขาที่เศษส3บสข้ออันนั้นพวกเราก็อ่าน ก, กับเข้าใจอีกเหมือนกันเพราะนั้นเรื่องวินัยให้พวกท่านทั้งหลายอ่านให้ศึกษานะาให้ศึกษาเรื่องวินัยเป็นเครื่องเรื่องอพื้นฐานจะว่าละเอียดไหมละเอียดพอสมควร แต่พวกเราก็รู้ได้เพราะมันเป็นภาษาที่ให้เข้าใจเว้นเสียแต่ว่าสิกขาบทสิกขาบทบางสิกขบทอันนั้นพูดในวินัยเรื่องวินยัยใช้ภาษาแปกแตกต่างกว่าพวกเราก็มีอยู่เพราะเป็นภาษาบาลีเอพราะนั้นสิ่งนั้นเราก็จะต้องถึกษาถามไทยท่านผู้รู้มีอยู่ในวัดเหล่านะ เพราะฉนั้นให้ศึกษานะเกี่ยวกับวินัยจะ่าไปมองข้ามแต่ผมเองอยากจะให้พวกเราท่านทั้งหลายนี่แหละเรื่องวินัยบัญญัติเรื่องนวโกวาตหรือหนังสือพระปฏิโมกเล่มเล็กๆเนี่ยข้างหนึ่งอัดข้างหนึ่งแปลเราฟังทางแปลทางแปลก่อนก็ได้ทั้งอ่านอัดอัดแล้วก็แปล ต่อไปเราจะอ่านวินัยมกเล่มนึงนี่แหละอันนี้ก็คือผมแนะนำสำหรับให้หมู่พกเพื่อนได้ศึกษาไม่ให้อยู่เฉยเฉยนะถ้าอยู่ถ้าเราจะเป็นผู้ปฏิบัติแต่สำหรับพระที่เข้ามาบวชชั่วครั้งช่วคราวอันนั้นผมก็ไมด่ดเน้นหนักเท่าไหร่เพราะว่าให้ศึกษาเรื่องภาคปฏิบัติจิตภาวนาอยู่ในกรอบของหลักธรรมวนัยให้ พระรุ่นพี่ช่วยๆกันดูประครับประคองเราจะมาเน้นแต่เรื่องอ่านวิัยอย่างเดียวก็คงคงไม่ได้อันนี้ก็ควรจะให้มีได้ศึกษาบ้างแต่ก็พร้อมกันก็ให้จิตเรื่องศึกษาเรื่องจิตตภาวนาเนี่ยมากกว่านะเ <c oughs> พราะเพราเรามีเวลาน้อยเนี่ยนะขอให้พวกเราคณนะ พวกเราทุกๆกองนะให้ใส่ใจนะเรื่องสินและวินยัยอย่าไปมองข้ามโดยเฉพาะ อ, อย่างยิ่งเรื่องใจฉันอะไรด้วยปานะสัตหาการเล็กยาวชีวิตยามะกาเล็กยาวชีวิเนะี่ยอันนี้พวกเราให้ตามไม่จริงพวกท่านทั้งหลายน่าจะหันหน้าขอหารกันปรึกษากันเรื่องเกี่ยวกับวินัยนะ จะมีโอกาสกันหันหน่าขอฮักกันปรึกษากันก่อนที่จะฉันอะไรพวกท่านทั้งหลายตรงอ่านให้เรียบร้อยให้อ่านให้เข้าใจซะก่อนไม่ใช่ว่าเขาเออกมาอะไรให้ฉันก็ฉันไปหมดจะนักถามผมด้วยถามผมบางเสียงบางอย่างผ ม, ผมวัดอื่นฉันนะแต่วัดผมไม่ให้ฉันนะมีหลายอย่างแต่ในผมให้ขอพูดนะในที่นี่นะ เออพอว่าดูดูแล้วมันผมว่ามันเข้าไปในประเภทอาหารจะมากกว่าพอพวกเราก็มีอะไรฉันต่้งเยอะแยะก็ไม่น่าจะฉันใกล้ๆที่มันจะล่อแหลมผิดตบที่ในได้ง่ายเพราะฉะนั้นผมบางทีบางเสียงบาอย่างผมก็ได้ห้ามมอย่าไปฉันเธอะอันนี้นะพะอยู่กับพ่อแม่ครูอาจารย์อยู่กับองค์หลวงตาเนี่ยท่านไม่ให้ฉันนะจุดนี้ เ, นเพราะนั้นผมอยู่กับท่านมาเมื่อผม ออกจากท่านมาแล้วผมก็ควรจะห้ามหมูพวกเพื่อนไม่ควรจะชั้นหรอกมันล่อแหลมเกินไปสิ่งเหล่านี้ผมก็จะได้บอกกล่าวห้ามหมูพวกเพื่อนนะแต่ทิ้งยังไงก็ตามให้พวกท่านทั้งหลายศึกษาเรื่องพระวินยัยอย่าไปมองข้ามไม่ได้ศีลและวินัยยังมีอยู่ตราบใดศาสนาของตถาคตก็ยังอยู่ตราบนั้นเมื่อเราตรถาคตผ่านไปแล้ว ทำมิตรและผีไหนนั่นแหละจะเป็นศาสดาของพวกท่านทั้งหลายเนี่ยพระพุทธเจ้าท่านตรัสไว้อย่างนั้นแล้วก็หลวงปู่มั่นท่านก็สอนอีกว่าพวกท่านทั้งหลายอย่ามองข้ามเรื่องอาบัตเล็กๆน้อยๆอาบัติเล็กๆน้อยๆนี่แหละนี่แหละเป็นมนทินทําให้จิตใจเศร้าหมองอทําให้จิตใจไม่ผ่องใสเหมือนกับผงธุลีฝุ่นทั้งหลาย ผงทั้งหลายมันเข้าตาอย่างนั้นแหละนะทาให้ตาของเราฟ้า ฟ, า, ฟางมองไม่เห็นสัจธรรมได้ง่ายเพราะฉะนั้นท่านทั้งหลายอย่ามองข้ามเรื่องอาบัติเล็กๆน้อยๆมันเป็นเครื่องเศร้าหมองทางด้านจิตใจอันนี้พ่อแม่ครูบาอาจารย์หลวงปู่มั่นท่านให้เคารพนะเพราะฉะนั้นขอให้พวกเราทุกๆ ท, ท่านนะเป็นพระที่จะจะดํารวงสงสารท่านาต่อไปพวกท่านทั้งหลายอย่ามองข้ามเรื่องวินัยนะอาวันนี้ขอพูดเพียงแต่นี้ก่อน รู้สึกว่าอากาศร้อนแล้วเกินมาเนี่